ลุงพี่บวชถึงสิบพรรษาหรื อ, อยังครับนายจ่อยถามพระโบยเหียวหลังจากลูกศิษย์วัดกลับไปแล้วอาตอมาบวชครบเดือนเมื่อวานนี้เองลุงพี่ตอบรู้ว่าชายผู้นี้เป็นหลานท่านพระครูเห็นจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างน้อยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านพระครูมีต่อท่านจริงหรือครับ ผมนึกว่าหลวงพี่บวชมาไม่ต่ำกว่ า, 10, ส, าสิบพรรษาเสอีกน่ายจอยคิดว่าอายุของหลวงพี่รูปนี้คงประมาณสักสี่สิบหรือกว่านั้นอาตอมาดูแก่มากขนาดนั้นเชียวรือท่านถามไม่แกหรอกครับผมว่าหลวงพี่ดูเหมือนคนอายุสัก36 37พูดหมายเอาใจหลวงพี่หากฝ่ายนั้นกลับโวยวายว่า เห็นไหมในที่สุดคุณก็ว่าอาตมาแก่จริงจริงนั่นแหละมีอย่างเรืออาตมาเพิ่งอายุ26กลับมาว่าแก่กว่าอายุตัง้งสิบปีพูดอย่างน้อยใจจริงหรือครับถ้างั้นหลวงพี่ก็แก่กว่าผมปีเดียวเองแหมผมนึกว่าหลวงพี่อายุส0สิบซะอีกว่าแต่ว่าหลวงพี่จำไม่ผิดนะครับหรือว่าโยมแม่เขาไปแจ้งเกิดตอนหลวงพี่สิบขวบนายจ่อยไม่วายกังขา พูดอย่างนั้นมันไม่สวยนาคุณนาอยู่ดีไม่ว่าดีมาเที่ยวค่อนแคะคนอื่นเขาไม่เคยมีใครว่าอัตมาอย่างนี้นอกจากคุณพระโบเฮียวออกโกรธโกรธในอยเห็นท่าไม่ดีจึงรีบแก้ว่าจะเย็นๆสิครับหลวงพี่ผมล้อเล่นเท่านั้นเองก็หลวงพี่ดูสงบส ง, งียมหน้าเรื่อมใสผิดกับพระทั่วๆไปที่ผมเคยรู้จักผมก็เลยนึกว่า หลวงพี่แก่พรรษาพวกพระแถวบ้านผมเสอีกยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องยังไงพระโบเฮียวอารมณ์ดีขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่น่าลืมใส่เหมือนอย่างหลวงพี่นะสิครับเป็นต้นว่าไม่สำรวมกิริยาจะเดินจะเหินก็ว่ากันซสจจีวอนเปลวแถมตอนเย็นๆก็ถกขมัเติดตรอกกันเป็นที่ครืน้นเครงยิ่งองค์ที่ชื่อหลวงตาทองยิ่งหนักกว่าเพื่อนเมาเช้าเมาเย็น เดินโซซัดโซเซไม่ตรงทางเหมือนคนอื่นเขาแล้วสมพันธ์เขาไม่เข็มงวดเอรือสมพันธ์น่ะตัวร้ายไม่เคยอยู่วัดหรอกครับชาวบ้านเขาลือกันว่าแกไปอยู่กับเมียวันโกวนวันพระถึงกลับวัดนายจ่อยอ้างชาวบ้านเป็นพระมีเมียได้หรือหลวงพี่คานด้วยไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนพระแท้น่ะมีไม่ได้แน่แต่นี่มันพระปลอมนะครับ พวกมาอาศัยผ้าเหลืองหากินอย่างหลวงตาทองนี่แกติดเล่ามาก่อนที่มาบวชก็เพื่อจะให้เลิกเล่าแต่ก็เลิกไม่ได้ส่วนสมพันธ์นั่นผมก็ไม่ได้ใส่ร้ายแกหรอกเคยมีชาวบ้านเขาแอบไปดูที่บ้านเมียแกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนายจ่อยไม่ได้บอกว่าตัวเขาก็ไปดูกับชาวบ้านด้วยแล้วทำไมเขาไม่จับศึกเสล่ะแบบนี้เสียชื่อเสียงวัดแล้วก็ยังทาให้พระาศาสนามัวมอง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 แบบนี้ก็แย่นะซีคนฟังรู้สึกเศร้าสลดในหัวใจยิ่งนะักแย่หรือไม่แย่พวกชาวบ้านเขาก็ประท้วงด้วยการเลิกทาบุญตักบาตรก็ในเมื่อพระทําตัวไม่ดีคนก็หมดความลื่อมใสอาตมาว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกการที่เราเห็นพระไม่ดีเพียงบางส่วนแล้วจะมาเมาเอาว่าพระเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันก็ไม่ยุติธรรมกับพระเพราะพระดีๆยังมีอีกมาก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 และของทำบุญนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราก็ได้บุญแล้วสมมติว่ามีพระรูปหนึ่งมาบอกบุญว่าจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์คุณเชื่อจึงทำบุญไปยี่สิบบาทด้วยความเต็มใจเมื่อคุณทำคุณก็ได้บุญทันทีนั่นคือคุณเกิดปิติเอิบอิ่มใจว่าได้ทำบุญทีนี้ถ้าพระรูปนั้นเอาเงินไปซื้อเหลากินท่านก็บาปเอง โดยที่บาปนั้นไม่มาถึงคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่รู้เห็นเป็นใจกับท่านแต่ถ้าท่านนาไปสร้างบทจริงคุณก็ได้บุญสองต่อเพราะฉะนั้นการทำบุญทำเมื่อไรก็ได้บุญเมื่อนั้นสุดแต่ว่าจะได้มากได้น้อยและที่สำคัญคือการทำบุญเป็นการสืบต่อพระศาสนาเพราะถ้าคนพากันคิดเหมือนกันหมดว่าเมื่อพระทาตัวไม่ดีเขาก็เลิกทาบุญ ต่อไปพระศาสนาก็จะตั้งอยู่ไม่ได้จริงไหมหลวงพี่อธิบายเส ย, ยืดยาวช่วงเวลาเพียงเดือนเดียวของการบวชท่านหูตากว้างขึ้นสามารถเข้าใจอะไรอะไรได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนคงจะจริงอย่างที่หลวงพี่ว่าคนที่มาบวชเป็นพระบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบวชคือไม่ได้มาบวชเพื่อลักกิเลสแต่บวช ด, ด้วยเหตุผลอื่น บางคนลูกเกเรไม่เอาทานก็จับบวชบางคนไปปล้นไปฆ่าเขามาก็มาอาศัยผ้าเหลืองหลบภัยวัดก็เลยกลายเป็นที่รวมของคนชั่วแม้แต่หมาแมวที่ไม่ดีคนเขาก็ออกมาปล่อยวัดก็ต้องรับกรรมกันไปในายจ่อยพูดปลงๆแต่ถึงจะเป็นคนชั่วมาก่อนถ้าบวชแล้วกลับตัวกลับใจได้ก็นับเป็นวาสนาของเขา พระ บ, บุยเฮียวอดนึกไปถึงอดีตของตัวท่านเองไม่ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าสิ่งแวดล้อมหรือโชควาสนาของคนคนนั้นที่สำคัญที่สุดคือถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีก็มีโอกาสจะเปลี่ยนนิสัยได้อย่างอาตมานนิถ้าพูดกันตรงๆก็ใช่ว่าเป็นคนดิบคนดีอะไรแต่มาได้ครูดีที่วัดนี้ลุงผอทันเค็่งครัดมาก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 อดแล้วตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่าท่านบอกคนที่บทหลายพรรษาแต่ไม่ปฏิบัติก็ยังสู้พวกมาเข้ากรรมฐานแค่เจ็ดวันไม่ได้ถึงว่าสิหลวงนาถึงอยากให้ผมกับผู้มั่นอยู่เข้ากรรมฐานฟังหลวงพี่พูดอย่างนี้แล้วผมก็สบายใจเวลาถูกคนอื่นค่อนแค่ว่าเป็นคนดิบผมจะได้อธิบายให้เขาฟังได้เป็นยังไงคนดิบหลวงพี่ไม่เข้าใจ คนดิบก็คือคนไม่ได้บวชได้เรียนไงครับอย่างผมความจริงก็บวชเนนมาตั้งหลายพันษาแต่ไม่ได้บวชพระคนเขาก็เลยชอบมาเปรียบเปรยถากถา ง, างว่าเป็นคนดิบอย่างกับพวกคนสุขมันดีกันนะลุงพี่รู้ไหมบางคนบวชกันทีก็ฆ่าวัวฆ่าหมูจัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตร่ำสุรายาเมากันเปละไปหมดเผลอๆคนเป็นนาค ก, ก็เอากับเขาด้วย ตอนนั่งทำขวัญ น, นาคก็สงกเพราะความเมาบวชได้สิบห้าวันก็สึกออกมาแล้วแบบนี้จะว่าได้บุญหรือเปล่าไอ้ที่ฆ่าวัวฆ่าหมูก็ต้องไปตกนรกใช้กรรมอีกผู้พูดไม่ทันสังเกตว่าผู้ฟังหน้าถอดสีเมื่อได้ยินข้อความว่าไอ้ที่ฆ่าวัวฆ่าหมูก็ต้องไปตกนรกกันอีกตอนอาตมาบวชไม่เด็กฆ่าวัวฆ่าหมูอย่างที่คุณว่า หลวงพ่อท่านไม่ทำอะไรยุ่งยากอย่างนั้นพระโ บ, บเฮียร้อนตัวหลวงนาะท่านเป็นคนตรงแล้วก็เจ้าระเบียบอย่างเวลามีงานบวชท่านก็ไม่อนุญาตให้แห่สิงโตหรือกลองยาวเพราะสีงมันจะไปรบกวนคนที่เขากาลังปฏิบัติกรรมฐานท่านบอกว่าการทำอย่างนั้นไม่ได้บุญแล้วยังสิ้นเปลือเงินทองโดยใช่เหตุผมเคยไปงานบวชเพื่อนที่วัดหนึ่งชื่ออะไรก็จาไม่ได้เสแล้ว ชื่อวัดหรือชื่อเพื่อนที่ว่าจำไม่ได้นะ่ะชื่อวัดสิครับส่วนชื่อเพื่อนผมจำแม่นมากเพราะมันชื่อเดียวกับผมแล้วเป็นยังไงงานบวชเพื่อนคุณทุเรศที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาคือมันเมากันเละเลยตอนแหหน้ากรอบโบดก็พากันรําแอนหน้าแอนหลังทั้งผู้หญิงผู้ชายแถมทิ้งขวดเหล้าขวดเบียร์ไว้เกลื่อนกลาดตามกําแพงโบดบ้างตามพื้นบ้าง ถ้าเป็นที่วัดป่ามะม่วงลุงหน้าเอาตายแน่เลยในจ่อยเล่าชอดๆอาตมาว่าเป็นเพราะเขาขกรใจไม่ถูกต้องคิดว่าทำอย่างนั้นจะได้บุญที่จริงชาวพุทธเรายังเข้าใจาศาสนาผิดๆกันอีกมากอาตมาเองก็เพิ่งมาเข้าใจถูกต้องเอาเมื่อมาบวชนี่แหละผมว่าเขาทำตามประเพณีมากกว่าคือทำตามๆกันมาจนกลายเป็นประเพณี หลวงพี่เห็นด้วยไหมครับว่าประเพณีบางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องและการทําตามประเพณีก็ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปอันนี้เห็นจะจริงอาตมา ก, ก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําหลายๆอย่างของชาวพุทธซึ่งเขาอ้างว่าทําตามประเพณีเป็นต้นว่าไปทําบุญแต่ดื่มเหล้าอย่างงานผ้าป่างานกระถิ่นซึ่งเป็นงานบุญก็พากันดื่มซะเมาแอ้เมื่อเมาก็ขาดสติ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 ซึ่งเป็นงานบุญก็พากันดื่มสเมาแอเมื่อเมาก็ขาดสติและมันจะไปได้บุญยังไงก่อนถวายผาป่าถวายกะถินพระท่านก็ให้รับศีลก็รับกันไปงันๆพอออกจากวัดก็ร่ำสุรากันโดยไม่เกรงใจศีลที่รับจากพระมายกๆอย่างนี้อาตมาว่าขาดทุนนะโบราณท่านถึงสอนไว้ว่าการทำบาปแหลกบุญ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 แม้คนพูดจะไม่ลุ่งรู้การกระทําแต่หุนหลังของท่านแต่ตัวท่านรู้และรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อถูกสกิดขึ้นชื่อว่าบาปหากใครทําเข้าก็ต้องพกพามันติดตัวติดใจไปทุกแห่งหนดุดเงาติดตามตัวฉะนั้นพระโบเหียวกําลังเสวยผลของบาปคุณบทเนนอยู่นานไหมถามเพื่อต้องการเปลี่ยนเรื่อง ไม่อยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองหพันศากครับตั้งแต่อายุ10ปีถึง15ปีอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดเลยหรือครับงั้นก็ได้วิชาดีๆจากหลวงพ่อไว้มากนะสิเห็นมหาปุญเล่าให้อัตมาฟังว่าหลวงพ่อท่านเก่งทางคุณไสด้วยจริงครับแต่ท่านไม่ให้ใครหรอกท่านว่าวิชาพวกนี้ไม่มีประโยชน์ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้ ถึงท่านจะเก่งทางคุณไสแต่หลังจากที่ทุดงไปเรนกรรมฐานกับหลวงพ่อในป่าแล้วท่านก็ทิ้งไสยศาสตร์หมดใครขอเรียนท่านก็ไม่สอนให้ท่านว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาดด้ไปแล้วก็รังแต่จะก่อเวรก่อกรรมกันมากขึ้นแปล ว, ว่าท่านไม่เคยนำวิชาหลงนี้มาใช้เลยก็ใช้บ้างเหมือนกันคือใช้เท่าที่จาเป็นทว่าไม่สอนให้ใครท่านจะสอนคนอื่นก็เฉพาะวิชากรรมฐานเท่านั้น ท่านว่านี่เป็นของจริงช่วยให้พ้นทุกข์ได้ส่วนไสยศาสตร์เป็นของปลอมแต่ท่านก็เคยเอามาใช้บ่อยเป็นต้นว่าเวลาคนถูกผีเข้าท่านก็มีคาถาไลผ่ผีผมเคยไปกับท่านบ่อยๆ บ, บางทีคนเข้ามาตามตอนตีหนึ่งตีสองบอกเมียถูกผีเข้าหลุงน้าก็ให้ผมไปด้วยท่านไล่ผีเก่งจริงๆนอกจากนี้ท่านยังมีคาถาออกลูกง่ายเมียใครออกลูกยาก ท่านก็เอากล้วยน้ำว้าสุกมาเสกให้กินกินปุ๊บเด็กออกมาปั๊บเรากับปฏิหารเลื่องเนื้อคู่ละ่ะท่านดูเนื้อคู่แม่นไหมอยากให้ในจอยตอบว่าไม่แม่นเผื่อจะมีความหวังได้พบเนื้อคู่กับเขาบ้างหากในจอยกลับตอบชัดเจนว่าแม่นที่สุดในโลกแม่นพันเปอร์เซนเลยดูอย่างเรื่องของผมก็แล้วกันไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเป็นคู่รักกับอีจุ จุกเขาแต่ก็ต้องเป็นเพราะความดูแมนของลุงนาะลุงพี่จะฟังไหมครับถ้าไม่ฟังผมจะได้ไม่เล่าเราไปสิอาตมากำลังฟังแต่ถ้าหลุงพี่ไม่อยากฟังผมไม่เล่าก็ได้นะครับคนเล่าทาเล่นตัวอยากฟังนะสิพระ บ, บเหียวยืนยันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในจ่อยเริ่มต้นเล่าอย่างตั้งอกตั้งใจ ตั้งแต่ต้นจนจบคนฟังจึงขัดขึ้นว่าเทข้าวทิ้งน้ำก็เป็นอาบัตนะสิมันผิดวินัยข้อไม่เคารพ บ, บิณฑบาตหลุงพี่อ้างพระวินยัยหลุงนาท่านบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้เททิ้งเทคว้างแต่เราเจตนาจะเลี้ยงปลาปลาชุ่มมากเลยหลุงพี่เทไปปั๊บเดียวปลามันฮุบกินหมดเลยมันพากันมาเป็นฝูง แต่ก็น่าเห็นใจท่านนะท่านเป็นคนสะอาดสะอ้านถ้าเป็นอาตมาก็คงฉันไม่ลงเหมือนกันแม้จะไม่ใช่คนสะอาดสักเท่าไรแต่จะให้ฉันข้าวผสมน้ำมูกไม่ไว้แน่นั่นสิครับพูดก็พูดเถอหลวงพี่เมื่อก่อนนี้ผมเกลียดจุกมากๆเลยโกโรธหลวงนาอยู่หลายวันนึกว่าท่านแกล้งผมบอกยกให้หลวงนาก็แล้วกันผมไม่เอาหรอก แล้วตอนนี้ยังคิดจะยกให้ล้งพ่ออยู่อีกรือเปล่าพระโบเฮียวกแกล้งถามในจ่อยหัวเราะแห่ๆก่อนตอบว่าเป็นไตยังไงก็ไม่ยอมใครจะมาแย่งจุกไปจากผมก็ต้องข้ามศพกันไปก่อนละลุงพี่ไม่รู้อะไรจุกตอนเด็กกับตอนนี้นะ่ะผิดกันราวกับฟ้ากับดินตอนเด็กดูสกปรกขี้มูกมากแต่ตอนนี้สะอาดสะอ้านแล้วก็สวยอย่างกับนางฟ้า เดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได้เห็นเขาจะมาขึ้นกรรมฐานพร้อมผมหลวงนาสั่งไว้ว่าให้ไปขึ้นกรรมฐานตอนหกโมงเย็นเสร็จแล้วให้ผมมาปฏิบัติกับหลวงพี่ที่กุฏิส่วนเขาไปปฏิบัติกับแม่ชีก็ดีสิอัตมาจะดูว่าระหว่างคู่รักของคุณกับคู่รักของหลวงพ่อใครจะสวยกว่ากันพระโบนเฮลเลผพูดในสิ่งที่เป็นความลับความจริง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 อาตมาเผลอไปคุณอย่าไปถามท่านนะไม่งั้นผมตายแน่แนก็ได้แต่หลวงพี่ต้องเล่าให้ผมฟังอาตมารับปากกับท่านแล้วว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังอย่าให้ต้องเสียคำพูดเลยนะพระโบเฮียวิงวอนงั้นหลวงพี่ก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะให้ผมไปถามหลวงนะ้าหรือว่าจะเล่าให้ผมฟังคนถือไพ่เหนือกว่ายื่นข้อเสนอ นี่อาตมาไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรือไงหลวงพี่ถามเชิงต่อรองไม่มีครับนายจ่อยตอบเสียงหนักแน่นพระโบยเหียวยกมือทั้งสองประนมไว้วางอกแล้วพูดด้วยเสียงที่นายจ่อยได้ยินชัดเจนว่าหลวงพ่อครับผมขออภัยที่ต้องผิดสัญญาขอให้บาปกรรมในครั้งนี้จงตกอยู่ที่นายจ่อยแต่เพียงผู้เดียวอา้าวไงเป็นอย่างนั้นล่ะหลวงพี่ ในจ่อยโวยวายก็อาตมาบอกแล้วว่ามันเป็นความลับในเมื่อคุณอยากรู้ก็ต้องรับเอาบาปไปด้วยอยากมาคาดคันอาตมาทาไมหลวงพี่นะหลวงพี่บอกตรงๆว่าในชีวิตผมยังไม่เคยเห็นใครฉลาดเท่าหลวงนาเพื่งมาเจอหลวงพี่นี่แหละที่แม้จะฉลาดน้อยกว่าหลวงนาดิดหนึ่งแต่ก็ต้องนับว่าเป็นคนฉลาดยังหาตัวจับยากพระบูฮีวฟังแล้ว ไม่กล้าดีใจเพราะไม่รู้ว่าในจอยพูดติหรือชมท่านกันแน่คันจะถามออกไปตรงๆก็เกรงจะเสียเหลี่ยมจึงนั่งเฉยอยู่นิมน์เล่าได้แล้วครับในจอยเตือนไม่เล่าแล้วอาตมาไม่อยากให้คุณบาปหลวงพี่เปลี่ยนใจไม่เล่างั้นผมไปถามหลวงน้าก็ได้ในจอยขู่หากก็ไม่ได้ผล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 แต่กล่งทําเป็นรู้คิดว่าคราวนี้คงจะทําให้อีกฝ่ายจนมุมได้หากก็ผิดหวังเมื่อหลุงพี่พูดว่าอาตมาจะดีใจถ้าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆว่าแต่ว่าคุณอยู่กับหลวงพ่อมานานเคยเห็นผู้หญิงสวยๆมาหาท่านบางไหมท่านหมายถึงสตรีที่ท่านพระครูเคยเล่าให้ฟังแต่นายจอยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน ต่งตอบไปตามที่ตนมีประสบการณ์ว่าหลายคนเชื่อแหละหลวงพี่ทั้งสาวแก่แม่ไม้ตั้งแต่สวยหยัดเยิ้มไปจนถึงผีลงหลุ่มเป็นยังไงที่ว่าผีลงหลุ่มน่ะคนฟังไม่เข้าใจอา้าวก็ขี้อะรเหมือนกับผีลงหลุ่มน่ะสิแต่เชื่อไหมหลวงนาะท่านไม่สนใครสักคนบางทีท่านก็ว่าให้ดวยซ้าอย่างคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์สวยด้วยมาหาท่านบ่อย ถามโน่นถามนี่ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับธรรมะแล้วก็แต่งตัวชะเวกชะวักว ก, ก้มทีเงี้ยแม้อย่าให้พูดดีกว่าในจ่อยยังจำภาพดอกเตอร์สาวผู้นั้นได้ติดตาแม้ถ้าอาัตมาเป็นหลวงพอ่อคงตะบะแตกแน่เลยแต่ถ้าหลุมพี่เห็นจริงๆผมว่าคงไม่พูดอย่างนี้หรอกมันทุเรศมากกว่าผมยังนึกทุเรศไม่หายคนอะไรก็ไม่รู้ มีความรู้ซะเปล่าแต่ไม่มีหัวคิดแล้วท่านพระครูท่านว่าอย่างไรบ้างที่เขาทำอย่างนั้นตอนแรกท่านก็สอนทางอ้อมว่าคนที่จะมาวัดมาว่าควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่ยายคนนั้นแกไม่เข้าใจเพราะวันหลังๆแกก็แต่งแบบนี้มาอีกท่านก็เลยว่าเอาตรงๆท่านพูดว่าในจ่อยเรียนเสียงและท่าทางของท่านพระครูนี่โยม อาตมารู้นะว่าโยมคิดยังไงกับอาตมาแต่โยมสิไม่ยอมรับรู้ว่าอาตมาคิดยังไงกับโยมถ้าอาตมาคิดจะสึกก็คงสึกไปเส้นนานแล้วเพราะขู่รักของอาตมาสวยกว่าโยมหลายเท่านักทั้งสวยทั้งดีอาตมายังไม่หวั่นไว้แล้วทำไมจะต้องมาสนใจคนอย่างโยมผู้ซึ่งหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้ น่าเสียดายที่เป็นถึงด็อกเตอร์ทำอะไรไม่สมกับภูมิรู้ของตัวเลยทำไมคุณจำเหม็นจังแน่ใจนะว่าไม่ได้เพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาพระโบเฮียถือโอกาสขัดคอรับรองว่าไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงจำได้ในจ่อยยืนยันหนักแน่นแล้วผู้หญิงคนนั้นไหวยังไง จะว่ายังไงก็สมบัติก้นลุกหนีไปเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่มาอีกถ้ามาอีกก็อายยางมาตุ่มยางมาตอยแย่น่ะสิแม่หลวงพี่นี่ปากไม่เบาเหมือนกันนะให้ตายสิเออจะรีบตายไปทำไมล่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยคนเป็นพระแกล้งว่าหากคนเป็นคฤหอขันกลับเฉยเสียหลวงพี่ว่า ผู้ผู้หญิงที่ชอบสึดพระนี่ตกนรกไหมครับนายจ่อยถามความเห็นมันก็พูดยากนาคุณนาแต่บาปนาบาปแน่ส่วนจะถึงขั้นตกนรกหรือเปล่าอาตมาเองก็ไม่แน่ใจจะให้แน่ต้องถามลุงพอ่อว่าแต่ว่ารายอื่นมีอีกหรือเปล่าหรือว่ามีรายด็อกเตอร์รายเดียวมีอีกหลายรายเชียวครับที่ผมจำคําพูดของลุงนาได้ เพราะเหตุนี้แหละคือต้องฟังหลวงนาะพูดอย่างนี้บ่อยๆแสดงว่าหลวงพ่อเนื้อหอมหมากเทียวสาวๆถึงได้มารุมตอมก็ท่านรูปล้อนี่ครับตอนที่ท่านนุ่มๆนะสมบัติเมธนีงนี้ชิด้ายเลยนะในจ่อยอดอ้างคุณสมบัติของหลวงนาะงั้นเทียวเรอเอแต่อัตมาว่าสมบัติหลอกกว่านะ ลวงพี่แย้งในจ่อยจึงรีบแก้ว่านั่นแหละเพราะหลุงนาท่านฉันยาลดความหล่อมากไปหน่อยอะไรกันยาลดความหล่อก็มีด้วยมันเป็นยังไงนะไอ้เจ้ายาขนาดนี้พระบยเหียวรู้สึกสนใจขอที่ขอที่อย่างลงพี่อย่าฉันเลยครับยาขนาดนี้ขนาดยังไม่ฉันผมก็ว่าว่ายังไงเอาอีกแล้วนะเมื่อกี้ว่าแก คราวนี้หาว่าไม่หลออีกประเดี๋ยวกวาลาออกจากตำแหน่งพี่เลี้ยงของคุณซะหรอกท่านขู่จต่ยังเย็นหน้าลุงพี่ผมพูดเล่นก็เอาเป็นจริงเป็นจังไปได้ถ้าอย่างลุงพี่ยังไม่เรียกว่ารูปหล่อแล้วใครจะมาหลอ่อคุณก็พูดไปเรื่อยระวังบาปจะกินหัวเอานะคุณนาลุงพี่เตือนว่าแต่ว่าลุงพ่อท่านฉันยาลดความหล่อจริงๆรหรือ พระโบเฮียวยังติดใจเรื่องยาจะจริงหรือไม่จริงอันนั้นผมไม่รู้แต่ท่านเคยปรารบกับผมบ่อยๆว่าในจ่อยทําเรียนเสียงท่านพระครูจ่อยเอ้ยหลงนะเห็นถ้าจะต้องฉันยาลดความหลอ่อสินแล้วละ่ะไม่งั้นก็ต้องสู้รบตบมือกับพวกมารพรหมจันทร์อยู่บ่อยๆความหล่อนี่มันเป็นมารพรหมจันทร์ พอๆพกับความสวยนั่นแหละทำไมท่านพูดอย่างนั้นละ่ะเอา้าหลวงพี่ไม่เข้าใจก็พระหล่อๆนะ่ะถูกผู้หญิงศึกมาเสียงมากต่อมากลวงน่าถึงว่าพวกผู้หญิงสวยหนึ่งพระรูปหล่อหนึ่งเหล่านี้เป็นศัตรูของพระมรย์พระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณยังถูกผู้หญิงศึกเอาไปเป็นผัวเลยอย่างอาตมานี่จะมีใครมาศึกบางไหม พระนุงยังหวังว่าจะมีโอกาสออกไปใช้ชีวิตคู่เหมินเสเถอะชาตินี้ไม่มีหวังในจ่อยเกือบจะพล่งออกไปอย่างนี้หากก็ยังปากไว้ทันจึงพูดเสใหม่ว่าอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปรบกับพวกมารหลวงนาท่านว่าสตรีเป็นศัตรูของพรหมจันทร์ผู้หญิงนะ่ะเป็นมารพรหมจันทร์อันดับหนึ่งแล้วมารอันดับสองละ่ะ อันดับสองได้แก่ลอบสการะสองอย่างนี้ทำาอกพระเสียพระมานักต่อนักแล้วก่อนในเมื่อผู้หญิงเป็นมารแล้วทำไมคุณถึงไปรักยมจุกละ่ะนั่นเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรือพระโบยเฮียวแกล้งยั่วลุงน้าสอนว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดผมอยากสร้างบารมีครับนายจ่อยตอบเสียงดังฟังชัด